Thank you. เราคงได้ยินชื่อสวนโมกนะชื่อเต็มก็สวนโมกพรารามจังหวัด ส, สุราษฎร์ธานีถ้าพูดถึงสวนโมกนี่ก็ต้องนึกถึงผู้ก่อตั้งนะคือท่าอาจาพุทธทาสคนรุ่นใหม่สมัยนี้นะอาจจะไม่รู้จักสวนโมกแล้วก็อาจาพุทธทาสละเพราะว่า หมายถึงอายุท่านครบร้อยนะเมื่อปีสี่เก้าจะเองท่านบรนาภาพไปเนี่ยยี่สิบสามปีละคือปีสามหกท่านอายุครบร้อยเมื่อปีสี่เก้าตอนนี้ถ้าท่านมีชีวิตยอยู่ก็ร้อยสิบปีตอนที่สุนมงเนี่ยนะเริ่มมีการสร้าง ทวรารวัตถุเช่นโรงมหมอรศทางวิญญาณก็ดีหรือว่าอาคารต่างๆก็ดีเนี่ยแต่และอาคารแต่ละแห่งก็ใช้เวลานานมากเป็นสิบปีเพราะว่าอาศัยกำลังพระอาศัยกำลังเนนนี่แหละช่วยกันสร้างไม่มีการจ้างาบริษัทละหมากอสร้างมา ทำให้ก็ทำวลินินเวลน่อยคราวหนึ่งท่านก็สร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนา ว, วาเรียกสั้นๆว่าโรงเรือโรงเรือก็คือตึกหรืออาคารที่มีรูปร่างคล้ายเรือก็ใช้เวลานา น, านมีคราวหนึ่งก็มีลูกศิษย์ มาเ ย, ยบสนโมกแล้วก็ไปกราบพระอาจาร์พุทธทาสเขาก็ถามว่าโรงเรือเสร็จหรือยังพระอาจาพุทธทาสก็ตอบว่าเสร็จแล้วโยมคนนั้นแกก็แปลกใจเพราะว่ามาสนโมกเมื่อสองเดือนก่อนก็ยังเห็นว่ายัางสร้างไปได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็เลยเดินไปดูก็พบว่า อาคารโรงเรือก็ยังไม่ได้อ่าสร้างไปมากมายเท่าไหร่จากเมื่อสองเดือนก่อนก็เลยกลับมาหาอาจารพุท ธ, ธาก็บอกว่ายังเห็นเสร็จไหมอาจารย์อาจารย์พุท ธ, ธาก็ตอบว่าเสร็จแล้วนะเสร็จทุกวันวันนี้เสร็จนะพรุ่งนี้ก็เสร็จมารื น, นนี้ก็เสร็จนเสร็จทุกวันอโยองเนั้นแกก็งงนะพอตามคาวามเข้าใจของ แกเนี่ยคือเสร็จก็คือเรียบร้อยสมบูรณ์จากสระจารึทธรามเนี่ยเวลาท่านทำแล้วก็ตามเนี่ยท่านทำด้วยใจที่ปล่อยวางถ้าทำตั้งแต่เช้าจุดเย็นก็ถือว่าเสร็จแปลว่าไม่มีอะไรต้องกังวลคนเราเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเบา ไม่มีความวิ ต, ตกกังวลอีกต่อไปไม่ต้องเก็บเอามาคิดนะว่าเออพวกนี้จะต้องทำอะไรไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จอีกกี่วันกี่เดือนที่จะเสร็จเนะี่ยอันนี้คือความรู้สึกของเราเมื่อเราทำอะไรเสร็จสิ้นสำหรับเจ้าพุทธาเนี่ยเวลาท่านทำอะไรท่านทำด้วยใจที่ปล่อยวางก็คือว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเมื่อ เมื่อถึงเวลาหยุดพักนะเช่นอาจจะหมดวันนะท่านก็วางมือนี่ไม่ใช่แค่วางคอนวางวางเครื่องไม้เครื่องมือเท่านั้นใจก็วางด้วยเหมือนสมเมือนกับว่ามันเสร็จแล้วนะถึงเวลาไปทำสมาธิภาวนาไปทำวัโสวมดมนก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาคุ้นคิดถึง อาคารแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะเข้านอนก็เข้านอนด้วยใจที่ปลอดโปร่งนะเพราะว่าวางนะวางทุกอย่างเสมอกับว่ามันเสร็จแล้วนะอันนี้คือความหมายของการทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางนะพวกเราเนี่ยหลายคนพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ย อาจต่ว่าทุกวันเลยก็ว่าได้นะก็จะนึกในใจว่าเมื่อไหร่คอร์สมันจะจบสักทีเมื่อไหร่คอร์สมันจะเสร็จสักทีเอาคำสอนหรือคำผู้ขอเจ้าพุทธธาตหรื อ, อคำแนะนำของท่านไปใช้ก็ได้นะก็คือว่านะคอร์สนี่มันเสร็จทุกวันนะยิ่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมาทำวัดสดบนแล้วก็ให้ ให้รู้สึกว่ามันเสร็จแล้วนะไม่ต้องไปกังวลว่าอีกกี่วันนะถึงจะได้กลับบ้านนะาการคิดแบบนั้นเนี่ยนะมันทำให้ทุกข์นะมันไม่ได้ช่วยให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นกว่าเดิมและแถมยังทำให้ใจเรามีความวิตกกังวลด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะปฏิบัติธรรมนะเวลาเราทางานนะกลับไปทางาน ก็ให้ลองนึกเสียว่ามันเสร็จทุกวันเสร็จทุกวันถึงเวลากลับไปบ้านนะก็กลับไปหาลูกกลับไปหาพ่อแม่คนรักด้วยใจที่ปลอดโปรง่งเสมือนกับว่าทํางานเสร็จแล้วแต่คนจำนวนมากเนี่ยทาอย่างนั้นไม่เป็นนะเวลากลับไปบ้านก็แบกเอางานไปด้วย ไม่ได้แบกไม่ได้ถือแฟ้มนะแบกกลับไปนะแต่ว่าแบกที่ใจเวลาอยู่กับลูกก็นึกถึงงานนะใจไม่ได้อยู่กับลูกเต็มร้อยนะเวลานึกถึงงานมันก็เกิดความวิทักกังวลเกิดความหงุดหงิดไออารมณนะ์นั่นมันก็แสดงออกทางสีหน้าให้ลูกเห็นนะลูกก็ กลายเป็นว่ารู้สึกเครียดนะเวลาอยู่กับเรานะพอใจแล้วนี่ยังแบกงานนะไว้นะเต็มหัวใจให้เรานะนึกว่าเนี่ยมันเสร็จแล้วนะวางมันลงเราจะได้กลับบ้านเราจะได้อยู่กับลูกอยู่กับคนรักหรืออยู่กับตัวเองนะด้วยใจที่ปลอดโปรง่ง ได้ะจะได้ทําในสิ่งที่ควรทำนะํสำสําหรับเวลาช่วงกลางค่ํากลางคืนบางคนนะแบกไปแบกงานแม้กระทั่งว่าจะหลับแล้วก็ยังแบกเอาไว้อยู่แล้วก็เลยนอนไม่หลับที่จริงงานเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะหลายคนมักจะบ่นว่าโอ้ยงานเยอะนะที่ทํางานงานเยอะนะมีภาระมาก จริงๆแล้วงานไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราเนี่ยแบกมันเอาไว้ไม่ยอมเลิก เ, เวลาทำงานนะใจก็ไม่ได้อยู่กับงานจริงๆนะนะใจไปอยู่กับผลของงานว่ามันจะออกมายัางไงมันจะดีไหมเจ้านายเขาจะพอใจไหมเพื่อรวงงานจะว่าอย่างไร หรือคิดไปว่าเออเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันกุ้มรวมจิตใจเราในทุกเรื่องเลยเวลามาปฏิบัติธรรมก็เมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะกลับบ้านเวลาเดินทางก็นะก็คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงวัดป่าสุกโตเมื่อไหร่จะถึงบ้านแต่ว่าไปแล้วมันถึงทุกขณะอยู่แล้วนะมันถึงทุกเวลามันถึงทุกวินาที ให้ลองคิดแบบนี้สบังการที่ใจเราเนี่ยมันไปคิดถึงจุดหมายปลายทางว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่ไฟแดงมันจะเปลี่ยนเป็น ไ, ไฟเขียววิธีคิดแบบนี้มันเป็นการสร้างทุกข์ให้กับจิตใจมากแล้วทให้เราเครียดทําให้เราวิตกกังวลกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล จนส่งผลตรงถึงต่อสุขภาพอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแบกอย่างหนึ่งนะเป็นการแบกแต่ถ้าเราลองรู้จักวางมันวางลงบ้างนะอนาคตจะเป็นอย่างไงก็เป็นเรื่องของอนาคตนะให้นึกอย่างที่หลวงพ่อคำเคลนคร ก, ก็ได้ว่าเนี่ยถึงต่อเมื่อมันถึงนะเวลาจะเดินทางไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหระ่จะถึงนะถึงต่อเมื่อมันถึงนะหรือว่า จะมองอย่างอาจารย์พุทธาก็ได้ว่าเนี่ยมันถึงทุกเวลาอยู่แล้วมันถึงทุกวันนะถึงทุกชั่วโมงถึงทุกนาทีสิ่งสำคัญคือนะใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะเวลาเราทํางานเนี่ยก็เรียกว่าทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะก็คือว่าเราปล่อยวางเรื่องอดีตเรื่องอนาคต อดีตที่ผ่านไปงานการล้มเหลวอย่างไรมันมีอุปสรรคอย่างไรก็เป็นเรื่องของอดีตนะปล่อยมันไปอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตนะไม่ต้องเอามาใส่ใจใจอยู่กับปัจจุบันเมื่อกระตามวิจัยอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่เต็มร้อยนะอันนี้ก็เรียกว่าทำงานด้วยใจปล่อยวางได้เหมือนกันนะ แล้ย er le, ิ่งถ้าเราทำใจถึงขั้นว่าเออมันไม่ใช่งานของเรานะมันไม่ใช่งานของเราไม่ใช่งานของเราก็ทำได้นะเทราว่าถ้าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์เราก็ทำไม่ได้ยึดมั่นถือม่ ว, ว่านี่คืองานของเราและเมื่องานมันเสร็จก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมันว่าเป็นผลงานของเราอาจารย์พุทธะจบอกว่าเนี่ยให้ยกผลงานไว้ให้เป็นของความว่าง ทำงานเสร็จก็ให้ยุบผลงานให้เป็นของความว่างหรือให้เป็นของธรรมชาติก็ได้หรือเป็นของส่วนรวมก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำให้มันสำเร็จนะมันมีคนอีกมากมายที่ร่วมกันทำให้สำเร็จทั้งที่ทำด้วยกันทั้งที่อยู่เบื้องหลังนะคนที่เป็นแม่ครัวคนที่เป็นนักการพานโรงนะแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยทาให้งานสาเร็จนะ เพราะถ้าไม่มีคนเหล่านั้นเราก็ก็คงไม่มีเรานะหรือว่าเราก็คงจะไม่มีเรี่ยวแรงกำลังนะที่จะทำให้มันสาเร็จได้งานแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นผลงานร่วมของผู้คนมากมายนะไม่ใช่เฉพาะคนทีอ่อยู่ในที่ทำงานเท่านั้นอันนี้เรกวก็ทาด้วยใจที่ปล่อยวางเหมือนกัน การวางใจแบบนี้อดูเหมือนเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าเราทําได้จากการมาฝึกปฏิบัตินะที่นี่แหละฝึกปฏิบัติด้วยการเจริญสติเราเรียนรู้นะที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายนะกายเมื่อเคลื่อนไหวใจก็รับรู้เพราะว่าใจไม่ได้ออกไปเที่ยวเตะที่ไหนใจอยู่กับเนึ้กับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้ รับรู้ว่ากายทำอะไรไม่ใช่แค่ยกมือสร้างจังหวะไม่ใช่แค่เดินจงกรมแต่รวมถึงการเดินขึ้นบันไดามาที่ศาลารวมถึงการอาบน้ำรวมถึงการล้างจานนะในในแต่ละวันนะเราใช้กายนะทำอะไรต่างๆมากมายในขณะที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะถ้าใจอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็จะรับรู้ว่า กายทำอะไรอันนี้เรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเมืาอใจมันคิดนึกไปออกไปนอกตัวเที่ยวเตนะก็รู้แล้วก็แค่รู้ทันเนี่ยใจก็กลับมาแล้วมันจะวางมันจะวางอาดีตและอนาคตลงทันทีเลย แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้ถ้าเรามีสตินะแม้จะมีอารมณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นอารมณ์ปัจจุบันก็อาจจะเป็นเสียงที่ดังหรือว่าความปวดเมื่อยอันนี้คือเรียกว่าอารมณ์เหมือนกันนะคำ ว, ว่าอารมณ์เนี่ยในพุทธศาสนามีความหมายว่าสิ่งที่จิตรับรู้ไม่วยมันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดก็ตาม นะเมื่อมันเมื่อมีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นนะหรือว่ามีความเจ็บมีเวทนาเกิดขึ้นมีเสียงดังนะมากระทบหูมีแดดมากระทบกายไอยพวกที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะซึ่งมันทำให้เกิดความทุกข์ทุกข์นะ ก, กาย เราก็เพียงแค่รับรู้เฉยๆนะรู้โดยที่ไม่ได้ไปยึดติดวางมันลงซะเสียงดังเนี่ยมันไม่สร้างปัญหาให้กับเราถ้ากว่าเราแค่รับรู้เฉยๆแต่พอเราไปยึดติดนะใจไปจดจอ่อนะหรือไปแบกอนเอาไว้แบกในที่นี้มันก็าการไปจดจอ่อนะไม่ได้จดจ่อเฉยๆนะ มีความรู้สึกผักใสไม่ชอบตรงนี้แหละคือปัญหาปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเสียงแต่ปัญหาเกิดจากการที่เราไม่ชอบมันเราไปทะเลาะเมาแวงกับมันนะอย่างที่อ า, า, าจารย์หลวงพ่อชาตรียว่าไปไปรบ ก, กวนเสียงแดดร้อนนะมันก็ไม่ใช่ปัญหานะมันแค่ทำให้กายเนี่ยร้อน แต่ถ้าใจไม่ชอบใจผักสายมันมันก็เป็นทุกข์เลยแล้วแปลกนะคนเราเนะี่ยยิ่งผักสายก็ยิ่งยึดติดนะยิ่งผักสายยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งยึดติดคําต่อว่าด่าทอของใครก็ตามเราไม่ชอบแต่พอได้ยินเนี่ยก็จะคิดแล้วคิดติหัวนเอามาคิดนั่นแหละคิดจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนโกรธ ใ, ใครเนี่ยเกลียดใครเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอยากผักสาออกไป จะยิ่งโกรธยิ่งเกลียดนก็ยิ่งคิดยิ่งนึกนะเวลามือหรือนิ้วเราถูกกินกลิ่นเหม็นนะน้ำปลาปลาระหรือกะปิเหม็ น, ะ เ, นเราไม่ชอบเราก็เช็ดมือถูนิ้วแต่พอล้างนิ้วเสร็จล้างมือเสร็จเราทํำยังไงเราก็ยกเราก็ดึงนิ้วมาดมนะเราไม่ชอบกลิน่นเหม็นที่ติดอยู่ปลายนิ้วแต่เราก็ดมมันอยู่นั่นแหละ ถ้ามันยังเหม็นอยู่เราก็ล้างแล้วเราก็เอามาดมใหม่ยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดนะเพราะนั้นมันจึงมีคำพูดว่าเนี่ยสิ่งใดที่ผักใสจะคงอยู่แต่สิ่งใดที่ตรักรู้จะหายไปให้เรายิ่งผักใสเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งรบกวนมันยิ่งยึดติดยิ่งจดจ่อ อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหามันจะเป็นเสียงดังแดดร้อนนะแต่เป็นใจที่ผักใสใจที่ไม่ชอบต่างหากนะทุกอย่าง น, นนะแม้กระทั่งความคิดที่ฟุ้งซ่านในใจหลายคนบอกว่าเนี่ยโอ๊ยไม่อยากทำสมาธิไม่อยากเจริญสติมันฟุ้งมันฟุ้งไปหมดเลยฟุ้งตลอดเวลา บางคนนั่งห้านาทีก็ไม่ไหวแล้วมันฟุ้งทจริ ง, รงความฟุ้งนี่เป็นธรรมดานะและจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาเกิดเมื่อใจเราไม่ชอบพอใจเราไม่ชอบเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นนันทีเมื่อพะเมื่อไม่ชอบเนี่ยจิตมันก็จะดิน้นจิตมันก็จะผลักไสจิตมันก็อยากจะให้สิ่งนั้นมันหายไปและเมื่อสิ่งนั้นมันไม่หายมันยังอยู่เนี่ย ก็เกิดความผิดหวังนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเราทุกข์เพราะเราอยากผลักไสและมันไม่ไปมันไม่หายนะไม่ใช่เพราะมันอยู่แม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะมันก็มันจริงๆมันก็ทาได้อย่างมากคือมาทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายนะแต่ว่ามันทำให้เกิดทุกขเวทนาทางใจไม่ได้มันทำให้ทุกขใจไม่ได้แต่ทุกขใจเกิดขึ้น ทันทีที่เราไม่ชอบมันผักใสมันเรายอมรับมันไม่ได้แล้วยิ่งเรายอมรับมันไม่ได้เนี่ยนะก็ยิ่งเท่ากับเปิดช่องให้มันมาเล่น ง, งานจิตใจเรามากขึ้นคนบางคนเป็นมะเร็งแต่ว่าเขาก็อยู่กับมันได้ด้วยใจปกติเพราะเขายอมรับมันเขาไม่ลังเกียจไม่ผักใสมันบางทีกลับ มีเมตตากับมันด้วยนะบางคนมีบางมีคนหนึ่งนี่เป็นมะเร็งแล้วปวดมากแต่ว่าเธอก็ไม่ค่อยกินยาระงับปวดเท่าไหร่เธอใช้วิธีคุยกับมะเร็งนะบอกว่ามะเร็งตอนนี้มันก็คับแล้วนะฉันจะนอนแล้วเธอก็ควรถึงเวลานอนด้วยเหมือนกันนะแล้วเธอก็ร้องเพลงกล่อมมะเร็งทำนองเดีวยวกับกล่อมลูกนะ แล้วก็หลับไปด้วยกันมเร็งก็หลับเธอก็หลับไปด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาก็อยู่กับมเร็งได้แล้วก็อยู่ได้นานด้วยแต่บางคนเนี่ยนะพอรวดเป็นมเร็งได้ไม่กี่วันนะก็ไปเลยมีคุณป้าคนหนึ่งไปโรงพยาบาลเข้าๆออกอยู่หลายครั้งไม่รวเป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมเร็งนะป้าอยู่ได้อีกแค่สามเดือน คือเธอเป็นมะเร็งตับจะ ต, ตกใจมากเนี่ยกลุ่มหมกกลุ่มใจยอมรับไม่ได้เนรู้สึกวิตกกังวลนะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีเรื่องไม่มีแรงปรากว่าอยู่ได้แค่สิบสองวันก็ตายในสิบสองวันเนี่ยมะเร็งมาลุกลามไปจนทั้งทำให้เธอตายหรือเปล่านะมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอก แต่เป็นพ่อใจเธอมากกว่าใจเธอยอมรับไม่ได้ใจเธอต่อต้านผักใสเกิดความกลัวความวิตกนะแล้วยิ่งกลัวยิ่งวิตกก็ยิ่งครุ่นคิดถึงมันนะยิ่งผักไสก็ยิ่งยึด ต, ติดปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ใจที่ไม่ยอมรับนะไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดโรคนะกับตัวเอง พอใจไม่ยอมรับมันความก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแต่คนเราถ้าใจยอมรับได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสงบมีเพื่อนอัตมาคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เชียงใหม่วันหนึ่งก็มีธุระนะจะบินมาที่กรุงเทพปกติก็นั่งเครื่องบินนะ น, นะก็บังเอิญเพื่อนคนหนึ่งเขารู้ เพื่อนคนนี้แกก็มีเครื่องบินส่วนตัวประเภทสองสามที่นั่งกันนะแล้วก็มีกําหนดที่จะบินเข้ากรุงเทพวันเดียวกันก็เลยชวนเพื่อนอตาต ม, มา น, นั่งเครื่องบิ น, นเข้ากรุงเทพด้วยกันก่อนที่เครื่องบินจะออกเนี่ยนะปรากฏว่ามีฝนตกหนักนะพอฝนตกพอฝนอหยุดนะก็ขึ้นเครื่องบิน เครื่องบินออกขึ้นไปได้สักห้านาทีท่านั้นมัน่งไม่ถึงสิบนาทีเพราะว่าเครื่องดับเครื่องดับ ก, ก็พยายามสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะก็เลยก็เลยคิดว่าเนี่ยนะเครื่องมันต้องตกแน่คราวนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าทํายังไงถึงจะให้เครื่องเนี่ยมันไม่ตกในเขตชุมชนมันไม่ตกในหมู่บ้านหรือว่าไม่ตกในเมืองก็พยายามที่บังคับเครื่องให้มันลอดลงไป เถาป่าเถาภูเขาเถาลำปางลำลาพูนมันก็มีภูเยอะนะระหว่างที่บังคับเครื่องเนี่ยให้ไปให้ให้เขาไปในป่าให้บินอยู่เนื้อภูเขาตอนนั้นเผื่อตามานี่ก็ทำใจแล้วว่าเนี่ยคงจะต้องตายในช่วงนั้นเองเนี่ยนะ บอกว่ารอบตัวนี่มันสงบมากเสียงเครื่องบินที่เคยดังก็เงียบข้างบนก็เป็นท้องฟ้านะทีเ่เรียกว่าสีครามข้างล่างก็เป็นภูเขาเป็นป่าบรรยากาศมันสงบมากในช่วงนั้นเนี่ยพอแกระลึกได้นะแกยอมรับได้ว่าเนี่ยจะต้องตายแน่ๆนะใจก็สงบมาก ใจสงบนะอย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนมันไม่มีความไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความวิตกกังวลอะไรเลยและบรรยายกาศรอบค้างนี่ก็เป็นใจด้วยอย่างที่บอกนะทุกอย่างรอบตัวสงบแล้วก็สวยงามพระพุทธบอกะว่าเครื่องนะก็ติดนะเครื่องต้องติดเวลาเพราะถ้าไม่ติดนี่ก็าเบียรคงไม่สามารถจะมาร้อยฟังได้นะเครื่องติดก็ตกลงว่าจะบินต่อหรือว่าจะ จะกลับก็ตกลว่ากลับดีกว่านะไปตรวจสภาพให้เรียบร้อยอเพื่อเราว่าเนี่ยตอนที่เครื่องบินเนี่ยล่อนลงกลับไปที่สนามบินเชียงใหม่นี่รถรถดับเพลิงนี่มารอเป็นแถวเลยมารอก็หลายคัน เ, เพระกลว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะตอนที่ล่อนลงแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช็คเครื่องยนต์ก็พบว่าน้ําะฝนเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องก็จัดการแก้จนเรียบร้อย เจ้าของเครื่องก็ถามเพื่อธรรมาว่าจะตกลงยังจะคีดจะบินกลับอีกหรือเปล่าบินเข้ากรุงเทพไหมเพื่อธรรมาก็ก็ตกลงนะในใจตอนนั้นไม่มีความสึกกลัวเลยเห็นในชั้เห็นในชั้ น, นเลยนะความตายเนี่ยแม้มันเข้ามาใกล้เนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่ทันทีที่ทําใจยอมรับได้เนี่ยมันมีแต่ความสงบ มันมีแต่ความสงบถ้าความตายจะน่ากลัวหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ใจถ้าใจยอมรับได้ความตายนี่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเลยถ้าหลายคนเนี่ยเขาพบว่าเนี่ยพอพอทําใจยอมรับความตายได้เนี่ยความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตใจอย่างที่อไม่เคยนึกมาก่อนแล้วมีอีกหลายหนึ่งนะเป็นเพื่อนเหมือนกันเป็นผู้หญิงไปเที่ยวเล่นทะเลที่เรายอง เล่นน้ําไปเล่นเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าสังเกตว่าตัวเองเนี่ยถูกกระแส น, น้ําเนี่ยมันซัดออกห่างจากฝั่งไกลขึ้นไกลขึ้นมันกลางซัดออกทะเลเลยนะเพื่อนที่เห็นเนี่ยก็พยายามว่ายไปช่วยแต่ว่าพอว่ายเข้าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามันมีกระแส น, น้ําที่มันมันพัดออกมาจากชายหาดแล้วก็แรงมาก ไปช่วยไม่ไหวก็ต้องนะต้องถอนตัวกลับออกมาส่วนเพื่อตามานเนี่ยนะพอรู้ว่ากําลังถูกกระแส น, น้ําเนี่ยมันซัดออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นแกก็ตกใจนะก็พยายามไหว้เข้าหาฝั่งแต่กระแสน้ํามันแรงมากเธอไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีกระแสน้ําที่มันมันออกมาจากมันสะท้อนมาจากจากชายฝั่งพยายามไหว้เท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใกล้ฝั่งเลยแม้แต่น้อยมีแต่ห่างไปเรื่อยๆ จนเกือบจะหมดแรงแล้วถึงตอนนั้นเธอรู้แล้วเนี่ยตายแน่แล้ะพอคิดว่าตายแน่ะยอมยอมยอมตายเธอก็เลิกไหว้นะแล้วก็ลอยคออยู่กลางลอยคอยอยู่ตรงนั้นแหละยอมตายแล้วเธอบอกว่าตอนนั้นใจสงบมากเลยมันสงบอย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนและขณะที่รอยอยู่นั่นนะพร้อมตายแล้วปรากฏว่าสักพักเนี่ย ก็รู้สึกว่าคลื่นเนี่ยมันซัดเธอเข้าหาฝั่งเธอไม่รู้ว่าอ๋อเธอไม่รู้ในภายหลังว่ามันมีคนตายเพราะว่าเพราะไอกระแสน้ําเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมาหลายคนแล้วและแที่ตายก็เพราะว่าพยายามที่จะไหว้ไหว้เข้าหาฝั่งจนหมดแรงอ่ะมารู้ภายหลังว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยนะมันต้องไหว้ขนานกับฝั่งเพราะว่าไอกระแสน้ำนมันเป็นกระแสที่มันแค่ แ้เทนะ่าว่ายเข้าหาเท่าเท่าว้ขนาดกขฝังก็จะหลุดออกจากกระแสน้ำแล้วก็สามารถจะอาศัยคลื่นเนี่ยนะซัดเข้าหาฝังได้แต่ที่เธอแปลกใจคือว่าเอาเข้าจริงความตายก็ไม่น่ากลัวเมื่อใดก็ตามที่ใจยอมรับได้เนี่ยมันก็จิตก็สงบอย่างยิ่งนะอันนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจนะว่าการยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะเพียงแค่ยอมรับมันช่วยทําให้ใจสงบได้เยอะเลยเสียงดังเนี่ยที่เราทุกข์พัดใจเรายอมรับไม่ได้ความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะความฟุง้งซ่านแต่เป็นพัดใจเรายอมรับมันไม่ได้ใจเราไม่ชอบใจแล้วผักใสแต่เมื่อกระทำที่ใจเราเนี่ยยอมรับหรือว่ารู้สึกเป็นกลางกับมัน นะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นการฝึกให้ใจเราเนี่ยรู้จักเป็นกลางกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีความคิดดีเกิดขึ้นก็ไม่โจนเข้าหามาันมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ผักใสมันอย่างที่หลวงพ่อเขียนนะพูดเสมอเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะอะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันคาว่าช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยกับการกับกับการ ทำใจเป็นกลางๆเนี่ยมาเป็นเรื่องเดียวกันพอเราเชื่อไม่เป็นรายช่างมั น, นใจเราก็ยอมรับได้พอใจเรายอมรับได้เนี่ยนะไอ้สิ่งต่งตางๆมันก็ไม่มีพิษสงที่จะมาทำร้ายจิตใจเราได้แม้แต่ความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันนะพอใจเรายอมรับมันได้เนี่ยความทุกข์มันลดลงไปเยอะเลยที่เคยเล่าเนี่ยที่ว่าเร า, าพาเพื่อนอาพาญาติโจงก็ไปเดินจงกรม เช้าเย็นรอบสวนแล้วก็เจอมดเนี่ยโอ้ยวันแรกๆนี่ทรมานกันมากนะแต่วันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนบอกความทุกข์มันลดลงไปเยอะเลยเพราะยอมรับยอมรับมันมันจะเกิดก็กลัดไปนะความทุกข์มันลดลงคันยังมีอยู่ปวดยังมีอยู่แต่ว่ามันใจมันสงบลงได้การยอมรับเนี่ยมันก็เหมือนการปล่อยวางนะมัน มันเป็นเรื่องเดียวกันพอเรายอมรับได้ใจมันก็ไม่ดิ้นรนไม่ผ่าวใสมันก็วางพอวางแล้วก็เกิดความปร่งร่วงเบาสบายให้เราเนี่ยฝึกนะลองฝึกนะที่จะทําใจใเป็นกลางกับสิ่งต่างๆไม่ว่ามันจะมันจะเป็นบวกหรือลบนะการเจริญสตินเนี่ยท่านเปรียบมกว่านั่งอยู่บนหอคอยหรือนั่งอยู่ริมฝั่งนะดูน้ํา ดูกระแสน้ําที่ไหลผ่านอะไรมันจะไหลผ่านหน้าเราก็แค่ดูเฉยๆแค่รับรู้เฉยๆมันจะเป็นของดีของไม่ดีก็แค่ดูเฉยๆจะมีเรือสําราญเล่นผ่านมาก็เฉยจะมีเรืออาจจะมีหมาเน่าลอยน้ามาก็เฉยไม่ใช่โดดลงไปเพื่อจะขึ้นเรือสําราญไม่ใช่พยายามหาไม้ไปไปยันนะหรือว่าไปไปผลัก ให้หมาเนามันลอยไปห่างๆไม่ต้องทำอะไรนะจริงๆมันง่ายมากการเจริญสติมันแค่ดูเฉยๆอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆไอ้การไปทำอะไรต่างๆที่มันเหนื่อยแต่ว่าเราชอบทำจนเป็นนิสัยพอไม่ต้องทำอะไรแค่ดูเฉยๆเนี่ยมันทาไม่เป็นนะมันก็แปลกนะไอ้ของง่ายกับไม่ทากับทำของยากไอ้เรื่องสบายไม่ทากับทา สิ่งที่ทำให้มันลำบากลองฝึกใจนะดูใจของเราดูจะพบว่ามันมีสิ่งที่ควรทำคือการที่เราเพียงแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนนะ่แล้วเราก็จะยอมรับสิ่งต่างๆได้นะด้วยใจที่เป็นกลางคำนี้เพื่เท่า น, นี้นะอกาก ร, รับะ